บุกท <Book> <55. S 1> ูห้าสิบห้าอมุตัติอมตขุดมติการทำงานมูชาอบะมูชาบะคุณทำอาชีพอะไรคะรับประเพีสิทธิ รับโปรเพซีสคาร์สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะชเอมิกมารีโปรเพซีดเคมียมมายดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงนาเควาอร์กานกเนกวิส์เมดดัดวูมูชาป กนวิทย์ส์ชอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญมเนป็นียวชวเป็นซกวแต่ภาษีสูงมากมกรัมก็จะสาขาดบีมาแ a ลียามกรัม กตัสฮาเดปิมากาเลียและค่าประกันสุขภาพก็สูงจานมเทลบิสทั้งหัวทั้งหัวจานมเทลบิสทั้งหัวทั้งหัวหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตราจินดารุมกามขวิดะราจินดารุมกามขวิดะ หนูอยากเป็นวิศวะกร e n g i n e e r i mindagavhte e n g i n e e r i mindagavhte หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย university chi minda visavlo u n i v e r s i t chi minda visavlo ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัด ปติกิริยาติวา ร, ร, วารดิฉันมีไรายได้ไม่มากเมือม่อว k นมากมาไกลเขลพาสิีเมือม่อวันมากมาไลเลพาสิดิฉันฝึก ง, งานอยู่ต่างประเทศปฏิกิิยาสัสวารการิดกับติวารปฏิกิิาส ศากริตกาิวานี่คือหัวหน้าของดิฉันเอสช m ิอุปรเอสชมิอรียดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีซาเซียโมฟนุโคลเลบิมกาสส เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอดิฉันกำลังมองหางานาาอ ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก